บทภาชนีติกลาปาจิตตี8 3ดของเขียวภิกษุณีสําคัญว่าเป็นของเขียวเทหรือใช้ให้เทต้องอบัตตปาจิตตีของเขียวภิกษุณีไม่แน่ใจเทหรือใช้ให้เทต้องอบัตตปาจิตตีของเขียวภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่ของเขียวเทหรือใช้ให้เทต้องอบัตตปาจิตตีทุกๆกกฏ ไม่ใช่ของเขียวพิกษณีสําคัญว่าเป็นของเขียวเทหรือใช้ให้เท e, ต้องระบาดทุกกฏไม่ใช่ของเขียวพิกษณีไม่แน่ใจเทหรือใช้ให้เทต้องระบาดทุกกฏไม่ใช่ของเขียวพิกษณีสําคัญว่าไม่ใช่ของเขียวเทหรือใช้ให้เท e, ไม่ต้องระบัด